ถ้มบทแปลเรื่องที่70เรื่องภิกษุอาคันตุกะภาคที่สเรื่องที่11ของวรที่6ปัณติตวัวรวานนาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพวกภิกษุอาคันตุกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ากันข้างธรร ม, มังวิปปะห้ายะเป็นต้น ดังได้สดับมาว่าภิกษุประมาณห้ารรูปจำพรรษาอยู่ในแคว้นโกศลออกพรรษาแล้วปรึกษากันว่าจากเฝ้าพระสัสดาจึงไปยังพระเชตวันถวายบังคมพระสัสดาแล้วนั่งอยู่นะที่สุดแห่งหนึ่งพระสัสดาทรงพิจารณาธรรมอันเป็นปฏิปักษ์แก่จริยาของพวกเธอ เมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่ากันขั้งธรรมังวิปหัยยะสุกังภาเวทปันดิโตโอกาอโนกมากมะวิเวเกยัตถุระมังตัตราพิรติมเชยยะหิตวากาเมอกินโนปริโยดเปยยะอัตตานังจิตเตเกเสหิปันดิโต เยสังสัมโบทิยังเคสุสัมมาจิตังสุภาวิตังอาดานะปฏินิสเคอนุปาดายเยรตตาขีนาสวายุติมันโตเตโลเกปรินิปุตตาติบัณฑิตละทรรมดำแล้วออกจาก อ, อาัยอาศัยทมอันหาอาไลไม่ได้แล้วควรเจริญทมขาว ละกามทั้งหลายแล้วหมดความกังวลพึงปราถนาความยินดีในวิเวกอันเป็นที่ซึ่งประชาินดีได้ยากบัณฑิตควรทำตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์ธรรมแห่งความตรัสรู้และชนเหล่าใดไม่ถือมั่นยินดีในการละเลิก ความถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นพระขีนาศบรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่ากันขั่งธรรมังความว่าละคือสละอากุศลธรรมต่างโดยเป็นกายทุจริตเป็นต้นสองบทว่าสุกังพาเวทะ ความว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตควรเจริญทำขาวต่างโดยเป็นกายะสุจริตเป็นต้นตั้งแต่ออกบวชจนถึงอรหัตมรรคเจริญอย่างไรคือออกจากอาไัยปรารภธรรมอันหาอาลัยไม่ได้อธิบายว่าทำเป็นเหตุให้อาไัยตรัสเรียกว่าโอกะ ทำเป็นเหตุให้ไม่มีอะไรตรัสเรียกว่าอโนกะบัณดิตออกจากทมเป็นเหตุให้อาลัยแล้วเจาะจงคือปรารกพระนิพพานกราวคือทำเป็นเหตุไม่มีอาลัยเมื่อปรารถนาพระนิพพานนั้นควรจเจริญทำขา่าวบาปพระกาถาว่าตัตราเพรติมิเชยะความว่า เพิ่ปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่นับว่าเป็นธรรมอันไม่มีอะไรคือพระนิพพานซึ่งสัตว์เหล่านั้นอภิรมได้โดยยากสองบทว่าหิตวากามความว่าละวัตถุกรมและกิเลสกามแล้วเป็นผู้หมดความขังบนเพิ่ปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกบทว่า จิตเกเรเสิความว่าพึงทำตนให้ขาวผ่องคือให้บริสุทธิ์จากนิวรหาบทว่าซัมโบที่ยังเคสุได้แก่ในธรรมเป็นองค์เครื่องตรัสรู้บาพระคาถาว่าซัมมาจิตตังสุภาวิตังความว่าชนเหล่าใดอบรมคือเจริญจิตด้วยดีแล้ว ตามเหตุคือตามในบาพระคาถาว่าอาดานปตินิสกเกยความว่าความยึดถือตรัสเรียกว่าความถือมัน่นชนเหล่าใดไม่ถืออะไรอะไรด้วยอุปาทานสี่ยินดีแล้วในการไม่ถือมัน่นกล่าวคือการเลิกละความยึดถือนั้นบทว่าจุติมันโต ความว่าผู้มีอนุภาพคือผู้ยังทำต่างโดยขันเป็นต้นให้รุ่งเรืองแล้วดำรงมั่นอยู่ด้วยความรุ่งเรืองคือยานอันกำกับด้วยรหัตมักสองบทว่าเตโลเกเป็นต้นความว่าชนเหล่านั้นชื่อว่าดับสนิทแล้วในขันทาที่โลกนี้คือปรินิพานแล้ว โดยปริณิพนธนสองอย่างคือด้วยปริณิพนธ์ที่ชื่อว่าสอุปาทิเสศสะเพราะกิเลสวัฏอันตนให้สิ้นไปแล้วตั้งแต่เวลาที่บรรลุพระอรหันต์และด้วยปริณิพนธ์ที่ชื่อว่าอนุปาทิเสศสะเพราะขันธวัฏอันตนให้สิ้นไปแล้วโดวยดับจริมะจิตคือถึงความบัญญัติไม่ได้ ดังประทีปหาเชื้อไม่ได้ฉะนั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุอาคันตุ ก, กะจบบันติตะวัควรรณ า, นาจบวัคที่หกจบ